เมื่อพัดก็รู้สึกไปนะพัดอย่าพัดทรงเด็ดพัดแลรู้สึกตัวทุกคนทำอะไรอย่าให้กัดทุนยั้ไการภาวนานะมันรวมเข้าไปในการใช้ชีวิตธรรมดานิ่งเราใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีสติไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนนก็เลยเสียดาย ขาดทุนเปล่าเปาตายเปร่าเปาทุกวันทุกเวลาผ่านไปนะเราก็ใกล้ความตายไปเรื่อยๆชีวิตเราสั้นลงสั้นลงนี่เราได้ประโยชน์จากชีวิตเนี่ยไม่คุ้มค่านี่เรามาเติมความรู้สึกตัวลงไปนะในการใช้ชีวิตนะชีวิตเราจะคุ้มค่าอยู่ทางโลกก็อยู่ยังมีความสุขได้แถมจิตใจยังเจริญขึ้นได้ด้วย การปฏิบัติธรรมจริงๆนะไม่ได้เบียดบังเวลาใช้ชีวิตธรรมดาของเรานี่เลยมันรวมเข้าเป็นอันเดียวกันได้เนี่ถ้าบางคนยังคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องเวลานี้เอาไว้ทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยนี่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติเนี่ยเราร้อนนะร้อนเราพัดไม่ใช่ร้อนนะทนเรา mm hmm. <laughs> มีพัฒก็เอาไว้ดู ดูใจที่อยากพัดยังดีแล้วดูใจที่อยากพัดมีพัดก็พัดไปไหนไหนมันก็มีแล้วต้องมีบุญนะถึงจะได้ของที่จำเป็นต้องใช้มามีบุญเราก็เสวยผลบุญพัดในคนทั่วไปพัดแล้วก็เมาไปเรื่อยนะสบายร่างกายใจเต็มไปด้วยกิเลสหลง เราพัดไปรู้สึกไปพัดไปรู้สึกไปง่ายจะตายพัดแล้วก็อย่างนี้นะเป็นกามสุขาริการนุโยกหลงโลกนะพัดแล้วก็ <c oughs> อันนี้อาตากิลมัฏฐานุโยกนะบางคนทรมานเคลื่อนไหวก็ <c oughs> อันนี้ทรมานกายบางคนก็ทำใจขลึม อันนี้ทรมานใจนะพันให้มันมีความสุขสิรู้เนื้อรู้ตัวไม่สุดต่งไปสองข้างใช่ไหมการปฏิบัติไม่ยากอะไรเลยเพราะใจเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นเจริญปัญญาบทเรียนพุทธเจ้าสามขั้นนะสิลสิกขาตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนในเบื้องต้น ในเบื้องปลายมีสติรักษาจิตไหมศีลจะมาเองกิเลสเกิดแล้วรู้ทันศีลจะมาเองบทเรียนที่สองจิตสิกขาจะมาฝึกจิตฝึกใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่สุดตรงไปสองข้างนี่จิตใจของเราเป็นผู้รู้แล้วนะก็ถึงขั้นเจริญปัญญาใช้จิตที่เป็นผู้รู้นี้มาเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่คิดเอา คำว่าการเจริญปัญญาเนี่ยหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยมาจากคำว่าวิคำว่าปัตสนาปัตสนาเพรว่าเห็นปัตสนาเพราว่าเห็นนะเห็นอย่างวิเลยวิเศษเห็นอย่างถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนะตรงตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์ วิปัสนากรรมฐานนั่นก็คือการที่เราพาจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยให้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจากายนี้เป็นไตรลักษณ์ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่าวิปัสนาเรียนไปแล้ว7จ็วันเจเดือน7ปีนะก็จะได้ธรรมะตั้งแต่เรามีเต็มก็ได้พระอรหันต่อนลงมาก็ได้อนาคาอ่อนมากๆได้โสดานะ แต่เจ็ดปีไม่ใช่ทำวันนี้เราก็เว้นไปน6ปีครึ่งอย่างนี้นะเราไปทาต่อ ว, ว่าครบ7ปีแล้วไม่ได้นะอย่างนั้นเจ้าเละเราทำทุกวันรู้สึกแปมากที่สุดเท่าที่จะรู้สึกได้รู้สึกตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นนะเวลาทำงานที่ต้องคิดแล้วก็เวลานอนหลับแล้วกันไปเวลาทำงานที่ต้องคิดนะ จะมารู้กายรู้ใจไม่ได้อยัางเป็นหมอนะจะผ่ า, าตัดคนไข้ตามองเห็นสักแต่ว่าเห็นนะอุเบกขาลูกเดียวเลยคนไข่ชักแดกๆหมอก็ยังสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่นะอย่างนั้นเก็ผิดหน้าที่งั้นหลอมรว ม, ม, มการปฏิบัตินะความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวเข้าในชีวิตจริงๆพอเราไห้ได้ ชั่วโมงปฏิบัติเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยคนหนึ่งนักปฏิบัติคนหนึ่งเขานั่งสมาธิเดินจงกรมวละสามชั่วโมงเวลาที่เหลือเขาไว้หลงของเราเนะี่ยภนังเราทั้งวันนะรู้สึกตัวไปทั้งวันเลยวันหนึ่งได้10บปั่นชั่วโมงที่ได้ปฏิบัติยังไงเขาเก่งเร็วกว่าแต่ไม่ใช่ว่าห้ามทําในรูปแบบนะต้องทํา ถ้าไม่ทาในรูปแบบเลยจเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเนี่ยจิตจะไม่มีแรงจะหมดแรงกานทําในชีวิตประจำวันเหมือนการชาร์ตแบตต้องชาร์ตชาร์แบตเตอรี่อะไแล้วก็ไม่ไ ด, ดนะ้ชาร์จส่งเดชนะชาร์จแล้วก็เก็บแบตเตอรี่ไว้พอแบตหมดเอามาชาร์ตอีกนั่นโง่ลนะชาร์ตแบตเตอรี่แล้วก็ต้องเอามาใช้ทําความสงบจิตใจมีเรี้ยวมีแรงแล้วก็เอามาใช้จเจริญปัญญา ตั้งแต่ตื่นจนหลับรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทำงานนักปฏิบัติที่แท้จริงไม่เป็นปฏิบัติกับสิ่งแวดล้อมไม่มีข้ออ้างเลยตอนนี้ร้อนไปภาวนามไม่ได้ตอนนี้หนาวไปภาวนามไม่ได้ตอนนี้หิวไปภาวนามไม่ได้มีคนคนนี้อยู่ด้วยภาวนามไม่ได้ต้องให้มันตายตายไปให้มันย้ายบ้านไปแล้วถึงจะภาวนาได้เนี่ยเป็นปฏิบัติกับสิ่งแวดล้อมนะนั้นภาวนามไม่เป็นหรอก นักปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็าภาวนาได้รถติดคนทั่วไปก็เป็นปฏิปักษ์ไม่ชอบไม่อยากให้รถติดไม่อยากให้รถติดรถก็ติดเพไม่ใช่รถมันไม่ติดได้ตามอยากนักปฏิบัติรถติดทําไงก็เห็นกายมันนั่งอยู่ในรถเห็นใจมันกระวนกระวายอยากให้มันไปเร็วๆ เ, เราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจเรื่อยๆ แค่รถติดไฟแดงนะยังพอนานได้ตั้งเยอะเนละอย่างเวลาเราขับรถไปนะเราติดไฟแดงคันที่หนึ่งเนี่ยเจ็บปวดที่สุดนะไม่เท่ากันนะติดแต่ละคันไม่เท่ากันติดคันที่สิบเนี่ยยังพอทําใจง่ายติดคันที่ร้อยเนี่ยเซ็งอีกรอบหนึ่งก็ไม่พ้นอย่างเงี้นะเ น, นี่ยความรู้สึกเราเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วความรู้สึกมันมีอยู่แล้วไม่ต้องห้ามมัน มีความรู้สึกอย่างไรก็รู้ไปอย่างนั้นแหละแล้วเรารู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงความรู้สึกทั้งหลายบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ต่างหาไม่ได้ต้องการดีไม่ได้ต้องการสุขไม่ได้ต้องการสงบแต่ต้องการเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจนี้ใจนี้บังคับไม่ได้พอเห็นแล้วเบื่อนะ พอเห็นร่างกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงก็จะเบื่อคลายความยึดถือออกไปพอจิตมันไม่ยึดนะมันก็หลุดเนี่ยอย่างหลวงพ่อถือแก้วน้ำไหมนหะลวงพ่อไม่ถือมันก็หล่นนะความทุกข์ทั้งหลายขันทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปยึดไว้มันก็หลุดไปแล้วไม่ใช่ของเราละนี่มันยึดเพราะเห็นว่าเป็นของดีของวิเศษ แต่ถ้าเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษใจไม่ใช่ของดีของวิเศษเขาไม่ยึดเองเนะ่ยเขาหลุดของเขาเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานของจิตเองแต่เราต้องทําเหตุพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปอย่านึกนะทําสมาธิเยอะๆแล้วจะบรรลุออกมาเกี่ยวกันเลยนะทําสมาธิเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้อแบตไปใช้สัที สอนให้เรานะที่เหลือต้องไปทำเอาเองถึงพบพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยได้เท่านี้ช่วยได้แค่บอกทางให้ที่เหลือต้องทำเอาเองเส้นทางนี้เส้นทางของคนกล้าเส้นทางของคนพึ่งตัวเองไม่ใช่เส้นทางของลูกแงนะ่ให้พ่อแม่ช่วยตลอดไม่ใช่คนไทยนะเลี้ยงลูกเสียหมดนะเด็กช่วยตัวเองไม่เป็นพ่อแม่ปลื้มมากเลย เลี้ยงลู ก, กินตัวเอ ง, เองแก่แนละ้วลูกก็แก่แล้วก็ยังเลี้ยงอยู่หลวงพ่อไม่เลี้ยงพวกเราแบบนั้นหรอกหลวงพ่อจะเลี้ยงพวกเราแบบลูกฝรั่งนะถึงเวลาเองไปเลยไปช่วยตัวเองให้ได้นะให้โอกาสแนละ้วให้ความรู้แนละ้วให้ทรัพยากรแล้วนะไปช่วยตัวเองไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยได้เส้นทางนี้เส้นทางของคนพึ่งตนเอง ใจกล้าๆนะไม่ยากหรอกอยู่ในวัดนะมันมีสัตว์เยอะนะพ่อเห็นนกเห็นสัตว์นะพ่อแม่นกมันเลี้ยงลูกนะเลี้ยงประครบประงมงแบบเอาชีวิตเข้าแลกเลยสัตว์ใหญ่มานะสู้นะสู้ไม่ได้ก็ใช้วิธีหลอกล่ออย่างแม่นกเนี่ยพอมีงูมาหรือนกใหญ่ๆมานะมันออกจากลังนะเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยมาบินโฉบ ถ้าไล่เขาไม่ไปนะั่นก็ทําเป็นกระปลกกระเปรี้ยล่อให้เขาตามไปที่อื่นเนี่ยลักลูกมากเลยแต่พอถึงวันที่ลูกแข็งแรงพอจะบินได้นะันงแ ม, ม่หรือพ่อมันด้วยบางทีลุงป้าน้าอามาช่วยนะแล้วแต่นกแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนกบางอย่างเนี่ยมาทั้งตระกูลเลยมาทั้งหมู่บ้านมนาะช่วยกันมันมีนกประลอดนะตัวเล็กๆ เวลาหัดบินนะบางทีมากคนมาหมดปู่ย่าตายหญมาช่วยกันเชียวเจ้าให้หมดเลยเชี่ยวเอาบินเลยบินเลยอะไร น, นะถ้าตัวอะไรมาก็ทั้งคนเดินมานะไล่ไล่จิกหัวเลยนะอสอนให้บินนี่กบางอย่างแม่ก็สอนคนเดียวบางอย่างพ่อแม่ช่วยกันสอนบางอย่างลุงป้านาฮามาสอนด้วยเวลาสอนนะมันก็จะไปเกาะกิงไม้ห่างไปสักฟุตหนึ่ง จากลังแล้วก็ร้อง่ร้องร้องเรียกอ้ลูกตัวที่กล้าก็จะบินปุ๊บๆไปบินได้แนละ้วไปเกาะอตัวที่ขาดไม่บินนีไ่ไม่ยอมบินเรียกไหนก็ไม่บินอีแม่มันก็พาไอ้ตัวเดิมมนะัน่ะมาเกาะลังใหม่ให้กลับลังแล้วมันออกไปห่างมากขึ้นนะไปเรียก ห่างเมตรหนึ่งเรียกเรียตัวกล้าหารเคยบินได้แล้วก็บินไปได้เสร็จแล้วมันผ่าตัวที่กล้าหารเนี้ยไปหากินตัวนี้อดไปไม่เลี้ยงละถ้าไม่อยากตายต้องพยายามบินใจแข็งไหมในนี้เห็นไก่ไหมไก่ไก่ในวันนี้จะหูขาวนะเป็นไก่ป่า ไก่ป่าไก่เขว่าเลี้ยงไม่เชื่องมาอยู่ว่านนี่เชื่องหมดเลยไก่ป่าบินเก่งน ะ, ะไก่ว่านนี่บินจะไม่ขึ้นแล้วหุ่นมันเปลี่ยนไปไก่ป่าเวลามีลูกนะแม่เลี้ยงคนเดียวพ่อไม่เลี้ยงหรอกแม่จะเลี้ยงลูกเพิ่ง อ, ออกจากไข่นี้ยนหะก็พาออกมาเดินหากินนะตกเย็นแล่วแม่มก็ไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ร้องเรียกลูก ให้โดดขึ้นหลังมันนะขึ้นหลังได้แม่ก็บินขึ้นต้นไม้สูงๆเนี่ยพาลูกขึ้นต้นไม้ตัวไหนขึ้นหลังแม่ไม่ได้นะต้องตายกังคืนไม่มีใครดูแลเดี๋ยวสัตว์อื่นมากินมันแล้ววันต่อๆไปแม่ไม่ให้ขึ้นหลังนั่จะขึ้นไปร้องเรียกอยู่บนต้นไม้ให้ลูกพยายามขึ้นไปเองพวกที่รอดได้คือพวกที่แข็งแกร่ง พวกเราต้องเป็นลูกไก่ป่าที่แข็งแกร่งนะอย่าเป็นลูกเจี๊ยบบินไม่ได้รออีกามาโฉบเอาอยัางหลวงพ่อสอนให้แล้วนะตอนนี้กำลังขันอยู่บนต้นไม้เรียกมาสีมาสีนะจงมาปฏิบททัติเถิดนะกำลังร้องเรียกอยู่นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะัก็มีลักษณะอย่างนี้ แรกสอนให้รู้เรื่องรู้ลักษณะรู้สภาวะรู้วิธีการพอรู้แล้วนะท่านก็เชียให้ปฏิบัติพอไปปฏิบัติแล้วมีปัญหานะท่านก็ช่วยแก้ปัญหาให้นะถ้ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามถึงไม่มีปัญหานะท่านก็ให้กาลังใจคอยเชียนะให้กาลังใจเรื่องลักษณะแสดงธรรมของพู้เจ้าสี่ประการ อันที่หนึ่งเปิดเผยให้รู้วิธีการอันที่สองกระตุ้นชักชวนให้ปฏิบัติอันที่สถ้ามีปัญหาช่วยแกนะ่มาถามได้อันที่สี่ปลุ ก, กจิตใจให้ร่าเริงในการปฏิบัติให้คึกคักให้มีกําลังใจเรียนกับหลวงพ่อร่าเริงไหมทีร่าเริงซะกระดีกระดาแตกไปเลยนะร่าเริงเยอะไปหน่อย หลวงพ่อแสดงธรรมนตามแบบพุทธเจ้านะมีองค์ประกอบสีอย่างร่าเริงด้วยไม่ใช่หง่อยสู้เอานะตอนนี้มาอยู่บนต้นไม้แล้วรองเรียกนะ้ะตัวไหนบินได้ก็บินแล้วตัวไหนบินไม่ได้ตายซะเถอะนะตายยังไงคือไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัตินะคนรุ่นเดียวกันเนี่ยคนหนึ่ง ขยันภาวนาไปนะอีกคนหนึงอยู่กับที่ห่างกันปีสองปีสองคนนี้ต่างกันมากแล้วแต่ต่างกันมากเลยเราอย่าหยุดนะทุกวันต้องปฏิบัตินะสอนให้หมดแล้วนอกนั้นเป็นเทคนิคลายละเอียดเล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วนะให้แยกขันและจิตเราเข้าสู่ทางสายกลางแล้วงานต่อไปคือแยกขัน แยกขันทํทำไงก็เห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูได้เพราะใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูได้ไม่ใช่ผู้แสดงนะไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่ผู้กํากับแต่เป็นคนดูไม่ใช่คนวิจารณ์ด้วยทาตัวเป็นนักดูเฉย ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ดูกายดูใจทำงานไปแยกกายแยกใจออกจากกันเห็นร่างกายกำลังนั่งพัดอยู่ตอนนี้ใครมีพัดรู้สึกไหมใครไม่มีพัดลองขยับมือก็ได้เห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูไม่ใช่เราหรอกให้ทางสายกลางนะถ้าขยับไปแล้วใจลอยหรือโอ้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่ใหญ่นี้กามสุขาลิกานโยก อย่างนี้อย่างนี้อัตตะกิลมัฐานโยกนะ้นทางสายกลางรังดีรู้สึกรู้สึกแค่รู้สึกแค่รู้สึกแค่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกกยนี้ไม่ใช่เราหรอกไก่นี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์ตลอดเวลานั่งแล้วก็เมื่อยเมื่อยแล้วก็ขยับหายใจออกแล้วก็ทุกข์ก็ต้อาหายใจเข้า หายใจเข้าแล้วก็ทุกข์ก็หายใจออกมีแต่ทุกข์ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีแยกกายกับใจได้แล้วแต่ไปก็แยกความรู้สึกบางคนแยกกายแยกใจไม่ได้ก็โดดมาแยกความรู้สึกเลยความสุขความทุกข์มีอยู่ตลอดเวลาในใจเราไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆมีอยู่สามันเนี้ยแต่ไปนี้ถ้าสุขขึ้นมาก็รู้ทุกขก์ขึ้นมาก็รู้เฉยขึ้นมาก็รู้ใจเป็นแท่คนดู สุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่ใจหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าหรือใจเป็นกุศลบ้างโลภโกรดห ล, หลงบ้างเขาเห็นไอ้กุศลทั้งหลายโลภโกรดห ล, หลงทั้งหลายก็ไม่ใช่ใจหรอกเป็นสิ่งที่จิตใจเราไปเห็นเข้าเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกแยกขันเหมือนกันเมื่อแยกขันได้แล้วเนี่ยถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของขันแต่ละขันได้การดูไตรลักษณ์ไม่ดูทั้งตัวนะดูทั้งก้อนเนี่ยดูไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกทั้งก้อนนี้เรียกว่าคณะคณะ พอระครังนอนหนูคณนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้ามองแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไม่เห็นเลยว่าไม่ใช่ตัวเราว่าคณะนี่ปิดบงังอนัตตาไปต้องคณะแตกคือแยกขันต์ออกเป็นส่วนๆคณะแตกออกไปแล้วจะไม่มีอะไรที่ปิดบงังอนัตตาได้เห็นร่างกายมันพัดอยู่ไม่ใช่เราแล้วเห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราแเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราแล้ว เห็นโรคกรดลงเกิดขึ้นไม่ใช่เราแล้วเห็นจิตมันทํางานได้เองไม่ใช่เราทํางานแะจิตมันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะมันไม่ใช่เราแล้วเะฉะนั้นพอใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วนะก็แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆกายส่วนกา ย, กายใจส่วนใจความรู้สึกส่วนความรู้สึกแยกไปสุขทุกข์ดีชั่วแยกออกไปแล้วจะเห็นสุขมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไป ทุกชั่วคราวแล้วก็หายโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่ก็จะเห็นเห็นใจรักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ตัวที่บังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตานะเนี่ยดูกายก็จะเห็นทุกขังอนัตตาง่ายถ้าดูจิตเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายดูไปด้วย ไม่มีสายกายไม่มีสายจิตบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตสายไหนสายไหนนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วนะในขั้นที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่มีสายอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้จิตสั่งไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาแต่รู้กายแล้วเห็นอะไรรู้กายเห็นไตรลักษ์รู้จิตแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษ์เรื่องเดียวที่เรียนคือไตรลักษ์เท่านั้นเอง นี่แเรียกว่าวิปัสสนานะถ้าเห็นร่างกายเฉยๆเห็นร่างกายมันยืนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่ไม่ทำวิปัสสนาหรอกต้องเห็นเลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นในใจไม่ใช่เราเลยมันถูกรู้อยู่นี่ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาเรารู้กายเรารู้ใจรู้ด้วยสติมีสติตัวรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทัน จิตใจเคลื่อนไหวสติรู้ทันแต่ไตรลักษณ์นั้นรู้ด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยสติโคลานกันต้องฝึกนะปัญญาเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าจิตเพ่งเห็นร่างกายได้ไหมถ้าจิตเพ่งเห็นได้จิตเพ่งก็เห็นจิตได้ไหมจ้องนิ่งไม่หนีไปไหนเลยเห็นได้แต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ มันรู้ด้วยสติไม่เป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาแล้วเห็นไตรลักษ์ไตรักนั้นเห็นด้วยปัญญาคือความเข้าใจของจิตปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจโคนระันกันค่อยฝึกไปหน้าไม่ยากหรอกพูดไปพูดมาก็วนมาตรงไม่ยากหรอกเป็นการให้กําลังใจนะยากไหม หลวงปูดูลสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินี่ประโยคแรกเลยที่เรียนจากหลวงปู่นะหลวงปู่สอนหลวงพ่อตั้งแต่กอไก่เลยเพราะประโยคแรกคือการเอ้าวต่อไปส่งเงินบ้านให้คนอยู่วัดมีสิทธิก่อน มัสการหลวงพ่อค่ะอืมเมื่อปีที่แล้วได้มาฟังหลวงพ่อแสดงธรรมที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เริ่มที่จะรู้นําสิ่งที่หลวงพ่อแจมอ่มมาฝึกแต่หนูไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบนะคะก็เลยทําให้ผ่านมานานมันก็เลือนหายไปโดยที่เราก็เผลอล้วก็ฟ้งไปเรื่อยๆอค่ะวันนี้หนูได้มาอยู่วัดก็รู้สึกว่าจิตมันสงบขึ้นแต่ว่าการทําสมาธิอะค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่า มันพอมันสมาธิได้สักพักหนึ่งมันก็เริ่มฟุง้งแล้วก็มันไม่รู้ว่าจิตตั้งมั่นมันอยู่ตรงไหนนะคะจิตตั้งมั่นมันอยู่ตรงที่รู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าไหลแล้วรู้มันก็ตั้งตั้งเป็นขณะขณะไม่ตั้งนานหรอก <c oughs> แล้วอย่างนะพวกเราคนเมืองพวกคิดมากเนี่ยเวลาทําสมาธิเนี่ยจิตจะไม่ทรงสมาธินานเท่าไหร่หรอกอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวนะนิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลย ไม่มีเลยฟุ้งสมาธิทิ้งไม่ได้นะต้องทำการทำในรูปแบบต้องทำทุกวันไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อกับผมกลาวอรรมรัตการครับหลวงพ่อดนดินครับานครีบขีโมโหไหมโมโหครับโคนขี้โมโหมีบุญนะครับภาวนาง่ายมันดูง่ายนะแต่ถ้าพลาดตกนรกง่ายครับนั่นเสียงเราครับ ต่อไปนี้เวลาใจโกรธขึ้นมารู้ทันเวลาใจหงุดหงิดรู้ทันไม่ห้ามนะให้รู้ทันแลอย่โมโหตัวเองด้วยครับเป็นหลักเลครับนั่นแหละครนะให้รู้ทันใจมันโมโหขึ้มารู้ทันรู้ทันนะให้รู้ไปจนเราเห็นความจริงมันโมโหเองรู้สึกไหมมันโมโหได้เองเหรอนะดูอย่างนี้แหละเรกว่าเห็นอนัตตานะครับถือศีลห้าไว้ถึงโมโหแค่ไหนก็ไม่ตีใครนะถือศีลห้าไว้กินเหล้าเปล่า กินครับเลิกได้ไหมได้ครับจะเลิกได้ยังอ้าวมรสการครับอพยายามนั่งรู้สึกตัวตลอดครับแต่พอไม่มาถึงก็เลยแข็งไปเลยเต้นมากเลยครับทัวนี้ก็ทํางานที่ต้องใช้ความคิดเยอะครับอืก็เลยพยายามรู้สึกตัวเหมือนที่เคยได้ยินหลวงพ่อสอนไว้ว่าถ้าเราลุกไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสที่เราเก็บเล็กเก็บน้อยนะห้านาทีก็เอา คนนี้ก็รู้ตัวเองว่าทําในรูปแบบน้อยอครับก็เลยไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่ถ้าเราเก็บชั่วโมงหนึ่งเก็บห้านาทีเนี่ยสิบสองชั่วโมงได้กี่นาทีได้ชั่วโมงนะได้ปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งแะ้วอย่านึกว่าห้านาทีไม่สําคัญนะแค่ชั่วโมงละห้นาทีเนี่ยสิบสองชั่วโมงได้ชั่วโมงแล้ว หลวงพ่อเก็บอย่างนั้นแหละงานเราเยอะนะมีนิดนิดหน่อยหเก็บไปได้รวมแล้วได้ปฏิบัติมันละหลายชั่วโมงเลยกลับเป็นการหลวงพ่อคะ่ะคือเรื่องของเรื่องคื อ, อ, อตลอดเวลาที่โยมนั่งสมาธิอะ่ะมันจะเข้าสู่ภาวะนิ่งสงบตลอดเวลามันเป็นลักษณะาการกดขม่มโยมเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นการกดขม่มเพราะว่าโยมโยมเห็นแล้วว่า สมาธิที่ยมนั่งอยู่มันดิ่งๆๆคือนั่งปุ๊บมันเข้าง่ายแล้วมันดิ่งดๆๆงดิ่งิงแบบไม่เลิ่มหูเลมตาแต่เวลามันออกมันออกไม่ได้เออเวลามันออกมันออกไม่ได้จนห้มีวันหนึ่งโยมพยายามที่จะออกออกไงว่าออกก็ออกไม่ได้โยมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอคาถาหลวงปู่ปานสวนันโทพอตั้งจิตอธิษฐานขอขคาถาหลวงปู่ช่วยออกโยมเห็นว่าสมาธิจริงๆเนี่ยมันมีมันมีขั้นตอนองมันออกค่อยๆออกทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแต่่่่ววาาาาาัเเออออิญรรพพดกกในทีจะืม ขั้นมาปวดหัวแลค่ะปวดพระแล้วปวดหัวคือมันจะเป็นงั้นตลอดมาเสร็จแล้วถึงแม้โยมจะรู้ว่ามันออกทีละขั้นโยมก็ยังออกไม่ได้อยู่ดีว่ามันออกยังไงเสร็จแล้วเออก็มีลุงคนนึงก็บอกว่าลองฝึกสมาธิแบบหัดออกคือเข้าไม่ต้องเข้าลึกเข้าตื้นๆอ่าแล้วม่ค่อยออกเข้ายังไงออกอย่างนั้นเสร็จแล้วยอมก็ฝึกสมาธิเสร็จแล้วพยายามฝึกตื้นๆเข้ายังไงออกอย่างนั้นพอเข้าป๊บโยมก็ออกไม่ได้อยู่ดีโยมก็สงสัยว่า อา้าประตูสมมติว่าประตูบ้านแล้วก็เห็นว่าประตูบ้านมันเข้าอย่างเนี้ยเวลาออกก็ออกตามประตูบ้านสิถ้าไม่ึงออกไม่ได้เสร็จแล้วโยมก็สงสยัย <c oughs> พ่อสงสัยปับ๊บอ๋อเราออกตอนช่วงที่ว่าเราขาดสติคือเหมือนว่าเราเผลอ ป, ป, ปุ๊บเหมือนถูกดักตีหัวปุ๊ปักเข้าให้แล้วมันก็เข้าสมาธิเลยพอจะออกแล้วสั่นอันนั้นมันออกไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังออกไม่ได้ครัสมาธิอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะค่ะมันเป็นสมาธิที่มุ่งไปพรมโลกกลายเป็นฤาษี พยายามมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นค่ะกโยมก็พยายามที่จะหาทางฝึกแบบหลวงพ่อคนนี้พอจิตมันหลุดจากสมาธิที่ว่ามันมันไปติดนิสงบยองฟุ้งมากฟุ้งอย่างมหาสารฟุ้งแบบมากมากให่ก็แน่นอนเลยที่หลวงพ่อบอกเลยมันต้องคิดดอกเบี้ยเรานะพวกที่ติดสมาธิลึกๆออกมาแล้วจะร้ายยิ่งกว่าคนปกติคือโยมตบัตแตกวันนั้นไปวิ่นเพื่อนบอก ใส่กดเรียบร้อยแล้วล่ะคือแบบมันเห็นเลยว่ามันฟุ้งมากใช่เนื้อสมาธิหรือสีเป็นอย่างนั้นแล้วเอาไหมเราใช้ใจที่คลายนะแล้วเห็นร่างกายหายใจไปมันมันเหมือนติดที่แบบมันเหมือนข้ามพบข้ามชาติซึ่งมันเออนั่นแหละปัญหามันนานมากแล้วยมก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับมันค่อยๆคลายชาตินี้เริ่มคลายแล้วเพอเริ่มเห็นทุกเห็นโทษของสมาธิแบบนั้นละค่ะนะก็คือ พอมันหลุดออกมาจากสภาวะที่นิ่งและสงบมันฟุง้งพอฟุ้งมากๆโยมก็เอ๊ะทำไมมันฟุ้งลึกๆเสร็จแล้วยอมก็ไปหไปน้ําตกพอไปน้ําตกปับ๊บเห็นจิตยิม้มยิ้มแบบมีความสุขอืพอยิ้มแบบมีความสุขก็รู้ว่าเออจิตมีความสุขเสร็จแล้วพอไปเห็นหน้าผาเห็นหน้าผาน้ําตกรู้สึกกลัวก็พข้ามานากลัวก็รู้ว่ากลัวอืเสร็จแล้วความฟุ้งที่มันอยู่ลึกๆเหมือนฝุ่นกระจายกระจายมากๆเนี่ยมันมันกลายเป็นว่ามันกลับเป็นฟุ้งข้างนอกแทนอืพอฟุ้งข้างนอกแทนโยมก็ ยพยายามภาวนาภาวนายังไงมันก็ไม่ได้จนสงสัยว่าเราฟุ้งพรอะอะไรเสร็จแล้วพาวันหนึ่งก็เห็นว่ากำลังข่ามถ น, นนเลยรู้ว่าไอ้ที่เราฟุ้งน่ะเพราะอุปทานอย่าคิดเยอะเลยอย่าคิดเยอะใช่ไหมรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยจิตมันฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างนะก็ดูมันทํางานมันฟุ้งเพรมันเองดูไปอย่างนั้นนะดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ เ, เราไม่ได้ไปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบความดีพิเศษวิโสอะไรหรอก เราปฏิบัติจนเห็นความจริงแนละ้วมีแต่ขอไม่เที่ยงมีแต่ของมังคับไม่ได้น ะ, ะมุ่งมาตรงนี้นะมันะจะไปต่อได้เหมือนกันไปไม่ได้หรอกแต่ว่าคลายออกมาได้ขนาดนี้ก็เก่งเยอะแล้วละอใช้ความสามารถอย่างแรงกล้า <c oughs> ต้องกล้าหารนะไมงั้นมันจะเสียดายสมาธิอย่างนั้นค่ะแล้วโยมจะถามเรื่องหนึ่งว่าในขณะที่โยมเห็นว่ากายกำลังเดินแต่เราเห็นว่าเราไม่ใช่เดินแต่ว่าตรงนั้นเราเห็นแล้วว่าโครงกระดูกมันเดินได้คือเหมือนว่าประกอบด้วยขัน5้าและธาตุสี่ เออไม่คิดเอา<ม>ต้องรู้สึก เ, <อ>เอานะรู้สึกเอารู้สึกเอเห็นได้ร่างกายมันเดินเอาแค่นั้นเองใช่หมใช่อย่าไปคิดเอาไม่ต้องไปคิดเอานี่ขันห้าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่ในอากาศสธาติอะไไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านนะฟุ้งไปค่ะ้พัพอไม่ฟุ้งก็เพง่งค่ะแล้ววันนี้พอหลวงพ่อพูดถึงตอนเช้าที่บอกว่าเห็นแลวให้ดูที่ตาดูที่หู ความที่ยงฟุ้งมาตลอดเวลาที่ผ่านมาพอมาดูตามหลวงพ่อเนี่ยยงสื่ว่าจิตมันมันสงบลงบ้างอืนี่มันวิ่งออกไปแต่อย่าจงใจนะหลวงพ่อพูดเพื่อให้เห็นว่าคนทั่วไปนะ่ยทิ้งตัวเองนะางหาแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่กับตัวเองถ้าบังคับเนี่ยเป็นหัตตะกิลมัฐานนิยมถ้าหนีไปก็เป็นกามสุขานิการนิยคไม่ใช่ทางสายกลางไปฝึกเอาไปขอบคุณค่ะ <laughs> กลับแมาสักการเจ้าค่ะเดี๋ยวมาส่งกันบ้านเมื่อสามปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูกูเก่งอืเห็นไหมเห็นค่ะต่อไป น, นี้นะดูขันทํางานไม่ใช่เราสักอันเดียวเริ่มได้ยังเริ่มเห็นไหมเห็นค่ะดีแต่ทุกครั้งที่พอว่ามันเห็นว่ามีเราขึ้นมาอย่างเออทีแรกมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไร ม, มันเหมือนมันดูรู้อยู่เบาๆอืม บางทีก็เลยสงสัยว่าเลยจะกลับประกาศเรียนถามหลวงพ่อว่าไอ้ที่รู้มันเบาไปหรือเปล่าหรือว่ามันอยากให้ชัดจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้ชัดแต่รู้สึกว่ารู้เท่าที่รู้ได้เจ้าค่ะนะไม่จงใจว่าต้องรู้แค่นั้นแค่นี้เจ้าค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้คุยกับคุณพี่เลี้ยงคุณพี่เลี้ยงก็คุยถึงเรื่องว่าเวลาไม่มีเราเวลาได้ยินใครบอกว่ามีเราเรารู้สึกว่ามันสะท้อนเข้ามาในใจว่าเมื่อไรที่ รู้ว่ามีเราขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกสลดหดหูหจังเลยว่า <c oughs> ทำไมเรายังกำเราไว้ได้แน่นเหนียว ห, หนักไม่ได้รรกเร า, าถือมาหลายชาติแล้วถืออีกหน่อยไม่เป็นไรจาา้าค่ ะ, ะกลับนมัส ก, การค่ะก็ยัง <c oughs> ติดดีแล้วก็เพ่งจนัวดหัวแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเช้าอะค่ะฟังหลวงพ่อเทศก็เลยมันเหมือนกับเกิดความคิดว่า ถ้าเรารู้ทันรู้ทันที่มันเพ่งแล้วมันก็จะคลายแล้วมันพอลองทํามันก็ได้บ้างค่ะคือเผลอกระเพ่งเนี่ยต่างกันเผลอเนี่ยทันทีที่รู้ว่าเผลอนีจะหายเผลอทันทีแต่เพ่งเนี่ยรู้ว่าเพ่งบางทีไม่หายเพราะอะไรเพราะเผลอเนี่ยเป็นอกุศลนะเพ่งเป็นกุศลนะงั้นเผลอเนี่ยไปไปที่ต่ําเพ่งไว้ไปสุขติได้ นีการเพ่งเนี่ยเกิดจากอะไรเบื้องหลังของการเพงเ่งนะคือความอยากจะดีอยากปฏิบัติอยากดีถ้าเรารู้ต้นตอของมันนะเรารู้ทันใจที่อยากอ่ะมันก็จะเลิกเพงเง่งเพงแต่ถ้ายังไม่รู้ทันเราก็จะเพง่งพอเพ่งแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์กมากๆก็อยากให้หายก็ค่อยๆคลายค่อยๆคลายออกค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ ปฏิบัติมาประมาณปีสองเดือนน่ยนะคะก็ซึ่งประมาณครึ่งกว่าปีแรกเนี่ยเล่นมากคือหมายถึงว่าคือก็มีกา ร, รยาณมิตรแนะนําว่าทางเนี้ยเป็นทางที่ถูกคือเราเราก็เลยเป็นเส้นทางของการพิสูจน์ใช่ไหมคะเราก็เข้ามาคือเราก็ไม่ดือ้อเราก็ลองเข้ามาก็พบว่าก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อมากจริงๆคะ่ะหนู่เปลี่ยนไปมากเลยคะ่ะขอบคุณพระเจ้านะธรรมะของท่านเปลี่ยนใจคนได้ นี่อศัศจรรย์นะแล้วพวกเราที่มาปฏิบัติเนี่ยเราเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยจริงๆท่านเปลี่ยนคนได้มารมนี่อศัศจรรย์นะดีทําถูกแล้วล่ะหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากถึงแม้ว่าหนูจะไม่ได้ไม่ได้รู้เร็วกว่า อ, อีหรือว่ายังไงก็ตามคือหนูก็พบว่าตัวหนูเองเนี่ยพอปฏิบัติมาเรื่อยๆนะคะแรกๆก็พบว่าร้ายก็ แต่ก่อนในะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีพอตัวเองชอบถือศีลบ้างอะไรเงี้ยไปก็ไปบวชนะคะแล้วก็ถือศีลแปดอะไรเงี้ยโอ้ก็คิดว่าตัวเองวิเศ ษ, ว, เศษวิโสคนอื่น hmm. อะไรเงี้ยนะคะอันนี้จริงๆแล้วพอปฏิบัติโอ้ยลายเหมือนกันหลายไม่เบาค่ะก็เห็นแล้วที น, นี้ก็พอปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะก็ก็ทุกข์กหนักช่วงนั้นท hmm. ุกทุกหนักมากก็ไม่อยากปฏิบัติแล้วอะไรเงี้ยช่วงนั้นนะคะมันเหมือนกับ ว, ว่ามันจ ะ, ะเบิดมันมันถ้าหยุดได้อยากหยุดเลยค่ะแต่ว่าคือก็ ก็คิดว่าตอนนั้นอยู่ไม่ได้เลยค่ะอยากจะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อคือเพราะหลวงพ่อจะเทศที่นี่ก็คือแคนเซิลที่แถวบ้านจิตสบายนะคะหนูก็จะมาคือยังไงก็จะมาให้ได้คันนี้ก็ก็ไปเปิด YouTube อะคะ่ะซึ่งก็มีคนหนึ่งที่เกิดมะะาหนูเนี่ยค่ะสภาวะมาหนูเนี่ยอ่าหลวงพ่อก็ก็เทศนะคะว่าให้ดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ซึ่งตอนนั้น่ะเราเหมือนจิตเราก็เจิดกระเจิงอุ้ยเข้ามาทางโน้นหูจมูกตากายโอ้มีแต่ความทุกข์คือเราเหมือนกับว่าเรามีสติไม่มากพออ่ะเราก็เอาใหม่อะคันนี้สภาวะตรงนั้นก็หายไปเลยค่ะเข้าสูป่ปัจจุบนันแล้วคันนี้ก็มีความสุขเหมือนอยู่บนยอดเขาของอนักปฏิบัตินะคะออ่ะเราก็ดูใจถึงว่าอาความสุขตรงนี้จะอยู่ได้แค่ไหนต้องอย่างนั้นอะดูเลยนะคะแป๊บเดียวค่ะเออ ก็คันนี้ก็อ่ะเกิดอยากส่งกับบ้านหลวงพ่ออีกซึ่งหนูก็ตอนนั้นก็เรียนก็สอบมีเรื่องตรงนั้นนะคะ อ, อยากส่งก็ไปเปิดยูทู e ฟังอีกอนี่แหละ u t u b e มันดีอย่างนี้ยนะ<ฮ>จริงๆมันมีทุกคำตอบนะใช่ที่จริงหลวงพ่อเทศเทศไว้นะครอบคลุมหมดแล้วที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัตินะถ้าสงสัยอะไรทาก็ไปเปิดีดีฟังไม่ต้องไปถามใครนะถามเดียวพาเราหลงนะ ตเตลเปิด เ, เสียเวลาไปอีกค่ะนะตอนนั้นก็คือจิตมันก็ไม่ถึงฐานนะคะคราวนี้หลวงพ่อก็เทปบอกว่าให้รู้กายไปถ้าเรารู้ใจไม่ได้คือรู้สึกไม่ไม่พอใจเลยค่ะตอนนั้นอ่ะก็รู้สึกไปว่าไม่พอใจแล้วเราก็พยายามอ่ะคราวนี้ก็โอเคกลับมาที่นะัดปัจจุบันคราวนี้ปัจจุบันตอนเนี้ค่ะก็คือหนูรู้สึกเหนื่อยอหนูทําพูดง่ายๆก็คือหนูทําสมณะไม่เป็นพอทําแล้วมันกลายเป็นวิปัสนาหนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ค่ะก็เลยอยากจะขอ ความเมตตาของเราพ่อช่วยแนะนำหนูนิดนึง่ะคะเรื่องนี้ทำสมถานะมันไม่ได้ยากอะไรทำใจสบายก่อนเห็นร่างกายนี้หายใจอย่าไปดูที่ลมนะเห็นตัวนี้หายใจสงบไม่สงบช่างมันไปลองทำดูนะค่อยๆคลายออกมาเออ ถ, ถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นทิคเป็นวิปัสสนาอะไรอย่างี้ก็ปล่อยเขาไปถ้าเราต้องการพักเลยทิ้งวิปัสสนาเลยกลับมายิ้มหวานมีความสุขและใช้ใจที่มีความสุเนียดูร่างกายที่หายใจไปทำไมต้องเริ่มจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะคนทั่วไปชอบกลับหัวกลับหางนึกว่าแน่นะคิดว่าสมาธิทาให้มีความสุข สมาธิในขั้นสูงนะอัปปนาสมาธิมีแปดชาญแปดเนี่ยมีความสูงอยู่สามอันแรกเท่าน้งสูงกว่านั้นไปอุเบกขาหมดแล้วนั้นเริ่มต้นเราต้องมีความสูงไว้ก่อนทําใจให้ผ่อนคลายยิ้มหวานๆยิ้มอย่างสดชื่นไม่ใช่อย่างนี้นะ <laughs> นี่ยิ้มเพราใจคลายนะใจคลายเนะี่ยใช้ใจที่คลายเนี่ยทํากรรมฐานไปเลยจะพุโทโธก็พุโทโธด้วยใจที่ผ่อนคลาย จะรู้ลมหายใจนะอย่าไปดูที่ตัวลมให้ดูทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวเนี่ยหายใจอยู่นะใจสบายไม่น้อมใจให้ซึมด้วยนะให้ใจสบายเป็นธรรมชาติอนยะ่างเงี้ยแป๊บเดียวก็สงบนะ้ไปทําเอาไปับนมัตสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกไม่เป็นไรเอย่าเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกัน <c oughs> แต่ตอนนี้ไปกดอยู่ครับอืม อยากอยากหายเอออยากให้รู้ <c oughs> <laughs> ทำไมโกรอยากดีกลัวไม่ดีติดเพ่งหรือปาครับฮะ <H an> ผมติดเพ่งรือไม่ต้องกังวลหลังๆเนี่ยคนติดเพ่งเนี่ยเริ่มน้อยลงนะนงสมัยก่อนนะโอ้เพ่งเอาเพ่งเอาคิดว่าเพ่งเราดีเพ่งไม่ได้เรื่องอะไรทำใจสบายๆดูกายดูใจทำงานไปอย่างสบายๆ เห็นกายก็ส่วนนึงใจก็ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกออกไปค่อยๆหันแยกหันดูไปเรื่อยทุกวันนะแต่ไปมันก็ชํานาญ<อ>แล้วก็แบ่งเวลาไว้ทําความสงบบ้างจเจริญปัญญารวดเดี่ยวไม่ได้นะมันจะฟุ้งซ่านไม่มีแรงแถึงเวลาก็พักผ่อนอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะให้ใจสบายใจมีความสุขใจผ่อนคลาย ผ่อนคลายไปช่วงหนึ่งใจจะมีแรงใจมีแรงแล้วก็มาเดินปัญญาต่อมันชอบไปเกาะกับลมอะครับเกาะลมให้รู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะให้รู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมอย่าดึงนะอย่าดึงคืนแค่รู้ว่าไหลไปที่ลมแล้วต่อไปค่อยๆ ค, ค, ค, คลายออกไม่เกาะล้ออขอบคุณครับครับกราบสรบัิการหลวงพ่อครับ อ, อ่อผมทารูปแบบตอนเช้ากับตอนเย็นครับ ทำทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันไม่เป็นธรรมชาติครับรู้สึกแน่นออืแล้วก็มันหนักๆครับหลวงพ่อครับใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละต่อไปมันก็ค่อยๆ ค, คลายครับเริ่มใหม่เม่อต้องตึงไว้นิดนึงธรรมชาติเป็นงนั้นไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่อย่าไปให้มันแน่นตลอดชีวิตก็แล้วกันแต่มันก็จะคลายอยู่เป็นบางครั้งครับแต่แต่เราก็ตอนตอนที่มันคลายเนี่ยจะจะไม่รู้ว่ามันคลายมันจะรู้อีกทีว่ามัน มันคลายไ ป, ไปแล้วออถ้าไปรู้ว่ามันจะคลายเถอะนะไปจ้องรอดูไม่คลายแล้วมันเล่นทีเผลองั้นเวลาทําปฏิบัตินะปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเราก็ค่อยรู้เอาให้ความรู้สึกก็เกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะอย่าไปรอดูนะถ้ารอดูเนี่ยจะไม่มีอะไรมันจะเพ่งอย่างเดียวเลยถ้ารอดูขับลงคอยเฝ้าดูซนะิจะมีอะไรให้ดูอะไรเงี้ยมันจะเพ่งนะอย่าไปเพ่งไว้ เรลบเผลอไแล้วความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาเผลอซะบ้างนะรู้ตัวตลอดไม่ดีกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะก็ฟังหลวงพ่อมาประมาณสองปีนะคะฟังจากซีดีแล้วก็ทราบว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์สายครูบาอาจารย์วัดป่า โยมเองก็ศรัทธาอยู่มากแล้วก็ไปประทับใจที่หลวงพ่ออธิบายไว้ในซีดีจำไม่ได้ว่าแผ่นไหนที่หลวงพ่อพูดถึงลักษณะของลักคนูปนิชานและอารมนูปนิชานซึ่งก็ตรงใจของโยมมากแล้วยมก็ฟังอีกก็ปรากฏว่าฟังไปฟังมากก็รู้สึกว่าเราจะต้องปฏิบัตินะคะเดิมโยมเป็นคนขี้เกียจมากอะค่ะ แต่ว่าก็จะทำวัดสวดมนต์เป็นประจำเช้าเย็นทีนี้เนี่ยเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยโยมก็เกิดปัญหาขึ้นสองประเด็นเจ้าค่ะก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองสับสนเวลาที่ะจะนั่งปฏิบัติในรูปแบบคือบางครั้งมันก็จะเห็นกระบวนการทำงานของจิตเป็นไปตามวิถีจิตที่เราได้ศึกษาบางครั้งก็จะเป็นเหมือนเราจะนิ่งเร็วแล้วก็ไปยึด เอาอารมณ์ขณะ<ม>ที่เราเกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นความโกรธ<ม>ความดีใจ<ม>แล้วก็จำอารมณ์นั้นมาพิจารณาซึ่งไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดอันนี้ก็เป็นความสับสนของโยมนะคะแล้วอีกประเด็นที่อยากจะเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าโยมไม่เข้าใจที่หลวงพ่อพูดว่าแยกขันห้าในขณะที่โยมก็ทราบมาว่า จากตำรานะคะบอกว่าการที่เราจะทําวิปั ส, สนาได้เราต้องเข้าใจการแยกรูปแยกนา ม, มไม่ทราบว่าสองประเด็นนี้เนี่ยคือขันห้ากับรูปนามนี้ต่างกันลืมเหมือ น, อ น, ก, นกันอย่างไรอันเดียวกันเลยค่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอความการุณาจากหลวงพ่อก็คือว่าโยมอยากจะทราบว่าจริตของโยมเนี่ยเหมาะกับสมาธิทําสมาธิประเภทใดค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ พยายามเคลื่อนไหวร่างกายไหแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะใช่ค่ะความคิดความรู้อะไรทั้งหลายเนะี่ยเก็บใส่ตู้ไว้ก่อนเราดูของจริงที่เกิดสดๆร้อนๆในปัจจุบันไม่เข้าไปแทรกแซงนะดูเห็ร่างกายเคลื่อนไหวใจเราก็เป็นแค่คนดูอยู่ค่อยๆฝึกให้ใจมันเคลื่อนที่ได้อย่าให้มันนิ่งนะ แล้วถ้าสมมุติว่าโยมจะตามจิตตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้เจ้าค่ะมันมจะ<ม>ใช่ไหมคะโยมเดี๋ยวไปพยายามเลนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานคอยรู้สึกไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนนะใจเย็นๆพอเราเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูเรื่อยๆขันเปนแยกกับไปความรู้สึกอะไรเกิดก็เห็นเองแนหะไม่ต้องเจตนาดูถ้าเจตนาดูไม่ใช่ของจริงนะ ถ้าพอานาเรียนอย่างที่หลวงพ่อสอนนะอภิธรรมเรียนง่ายมากเลยยิ่ีจิตก็เห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะจะยิงแต่ว่านับปฏิบัตนะิเรียกชื่อไม่เป็นเท่านั้นเองจ้คะคะถ้าเราเรียนอภิธรรมมาเราก็เรียกชื่อได้แต่อภิธรรมบางทีก็ตกม้าตายนะค่ะเพราะว่าเข้าใจสภาวะตัวนี้ไม่เป็นไม่รู้จักรักขนุปนิชานไม่คิดว่ารักขนุปนิชานต้องฝึกไปคิดว่า สมาธิเนี่ยนะมีอยู่ในจิตทุกดวงมันคือเอกะกคตาเจตสิกเราคิดมากง่ายไปถ้าสมาธิมีอยู่ในจิตทุกดวงนะหมาแมวอะไรก็บารล้ไปหมดแล้วละ่ะเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัญญาใช่ในอภิธรรมก็สอนอยู่นิ้พอไม่รู้จักรักขณูปนิชฌานนะทำสมาธิทำวิปัสสนาไม่ได้จริงงั้นตัวที่ต้องเรียนให้มากเลยคือรักขณูปนิชฌาน การที่จิตมันต uh ั huh. ้งม like, ั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละพอมันจิตมันตั้งมั่นได้ขันมันถึงจะแยกรูปนามมันถึงจะแยกรูปนามแยกแล้วจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาจะเกิดจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยตำรามีอยู่นะแต่ว่าที่นักอ่านตำราทำไม่ได้เพราะไม่มีจิตที่เป็นกลางจริงๆะจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจริงๆนั่นจิตที่เข้าสู่ทางสายกลางแล้วนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลย เคล็ดลับของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้แหละถ้าไม่มีจิตตรงนี้ทํำวิปัสสนาไม่ได้จริงทําก็เพ่งหมดนะเช่นตาเห็นรูปกไปเพ่งอยู่ที่ตรงตาเห็นรูปเนี่ยเพ่งได้สี่แบบนะเพ่งได้ตั้งสี่แบบเลยหนึ่งเพ่งรูปนี่ออกนอกเลยก็สองเพ่งประสาทตาเพ่งประสาทตาก็เป็นสมถะเพ่งรูปก็สมถะอันที่สามเพ่งที่ผัสสะนะผัสสะทางตาอันที่สี่เพ่งที่จิตที่เกิดที่ตาเห็นไหมผิดได้ตั้งสี่อย่างเลย ตรงที่ตาเห็นรูปแล้วรู้ไหมอะไรเงี้ยพลาดไปตรงนี้หมดเลยกลายเป็นเพ่งหมดเลยนะงั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะขอบพระคุณเจค่ะใจต้องเป็นคนดูให้ได้หลานวัสการหลวงพ่อคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณค่ะที่ตัวเองมีบุญได้มีโอกาสมาฟังหลวงพ่อเทศก็ใช้วิธีดูจิตกับดูกายอะคะอ่ะเพราะว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงพอสมควรนะคะ อันนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือจะถือศีล5้านะคะแต่ติดมากเลยค่ะข้อสี่ปฏิบัติไม่ได้อยากได้คําแนะนําจากหลวงพ่อนะคะเรามีสติไว้นะรู้ทันจิตไว้เวลาจิตอยากพูดเรรู้ทันจิตมันอยากพูดเรารู้ทันไปเรื่อยนะเดี๋ยวต่อไปรักษาศีลนั้นะง่ายมากเลยรักษาศีลเนะรักษาที่มือที่เท้าที่ปากเนะรักษายากรักษาที่ใจรักษาง่ายมีสติรู้ทันอย่างใจมันอยากว่าเขาเรารู้ทันมันไม่ว่าละ ใจมันอยากจะคุยขนองเล่นหนระรู้ว่ามันขนองแล้วก็ไม่พูดเปิดเจอสีมันมาเองแต่คร น, นี้ปากมันไปก่อนใจอะค่ ะ, คะไม่หลอกใจมันสั่งให้ปากพูดนะไม่งั้นคนที่เรียนอรพิธธรรมข้างๆ้ า, า, า, าประท้วงเอานะ <c oughs> ใจมันสั่งไปแล้วอะแต่สติเราไม่ทันเท่านั้นค่ะ ข, ขอบคุณค่ะอ่าหมดแล้วเชิญกลับบ้าน